ท่นังที่ครบค่ะเราอยู่ในช่วงเวลาของรายการสัมสน์สนทนากับสรรสีน์นาคพงษ์และพระภิกษุอีกสองรูปค่ะผ่านไปรูปแรกคือพระมาชาคาวโรวัฒนาป่าพงล์ลำลูกกาคลองสิบตอนนี้ก็มาเป็นเวลาของพระภบุตรวิปุโนวัดป่าดอนหายศพดอนธา น, นีกันค่ะนวมัส ก, การค่ะท่านคะชัยพรค่ะเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุททวจนะอืวันนี้ดิฉันได้นวมัส ก, การพระคุณเจ้ามาก่อนท่านก็ บอกว่าจะเปิดทำเกี่ยวเรื่องของการจับจ่ายทรัพย์ในช่วงน้ำท่วมใช่คือคในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองโภคทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าระบุไว้คือพระพุทธเจ้าเนี่ยฉลาดมากคุณโยมติวสอนหมดทุกอย่างสอนแม้แต่ว่าเออคุณมีเงินในกระเป๋านี่คุณจะใช้ยังไงอพระสงค์ใช่ไหมคุณไม่ยินดีเงินทองแล้วโยนทิ้งไปแล้วคุณจะทําตัวยังไงสอนทั้งไม่ให้ใช้ทรัพย์สําหรับประสงค์สอนทั้งถ้าคุณมีทรัพย์คุณต้องใช้ยังไงในลักษณะนี้คเพราะฉะนั้น เ, เรื่องการใช้ใจทรัพย์เนี่ยพระเจ้าก็พูดถึงทรัพย์ในที่นี้ไม่ใช่เฉพาะเงินทองเงินสดแต่จะยังรวมถึงเรือสวนไร่นาช้างมา้าโคลาทาตกรรมกรคนใช้พวกนี้ทั้งหมดอสินทรัพย์ริมทรัพย์ตราสารหนี้หุ้นทองคําและต่างรวมเป็นทรัพย์พวกนี้ทั้งหมดนะอันดับแรกก็พระเจ้าก็จะพูดถึงว่า เ, เราต้องรู้จักรายรับรายจ่ายนี่คือในกรณีปกติกรณีทั่ ว, วไปแตนะ่ต้องรู้จักว่ารายรับเนี่ย รายจ่ายเนี่ยไม่ให้ท่วมรายรับให้รายรับเนี่ยมากกว่ารายจ่ายลักษณะของกระแสงเงินสดคือคุณต้องรู้กระแสงเงินสดเข้าออกอย่างดีเพราะฉะต้องมีการทําบัญชีเราถึงจะรู้ว่าเงินเข้าเงินออกเท่าไหร่รแล้วก็ให้ใช้ใจ่ายทรัพย์อย่างพอประมาณสมัญชีวิตาคือการดํารงชีวิตอย่างถูกต้องคือหมายความว่าถ้าเรามีเงินมากงเงินกระแสงเงินเข้ามากแต่ว่าใช้ใจ่ายทรัพย์อย่างเขาเรียกว่า ประหยัดเกินไปพระเจ้าก็บอกว่าเหมือนกับคนก็จะมีคนพูดว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่จะตายอดตายอยาก ค, คือใช้จ่ายทรัพย์อย่างขมัดเขาเรียกว่าเขียมเกินไปแต่ถ้ามีเงินน้อยแต่ว่าใช้จ่ายทรัพย์อย่างสุรุยซุร่ายเนี่ยก็จะเหมือนกับคนกินผลมะเดือ่อคือมันใช้สุรุยซุยเกินไปก็จะมีคนว่าอีกเพราะนั้นต้องใช้ใช้สายทรัพย์ให้พอเหมาะพอเจาะทีนี้ไอ้ตรงเนี้ย คือใช้ใจ่ายทรัพย์ให้พหมาพอจอเนี่ยแบ่งจ่ายอย่างไร<ะ>แล้วก็จะมาถึงกรณีที่ว่าต้องเอาโพกศัพท์ที่หามาได้เนี่ยด้วยมีความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกําลังแขนตัวชุ่มด้วยเหงื่อเนี่ยเป็นโพกศัพท์ที่ได้มาโดยธรรมเนี่ยนะจัดการในหน้าที่4อย่างอย่างแรกเนี่ยก็ใช้โพกศัพท์ที่ได้มาเนี่ยเลี้ยงตัวเองเลี้ยงมารดาบิดาเลี้ยงบุตรปริยาท่านกรรมกรทุกคนที่อยู่รอบตัวเนี่ย คือบุคคลที่อยู่ในทิศทั้งห้าคือด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาด้านล่างะคือนี่ยังไม่ลงข้างบนนะข้างบนนี้ยกไว้ก่อนคือด้านหน้านี่คือใข่คื อ, อามารดาบิดาใช่ไหมด้านขวานี่ก็คือครูอาจารย์เพื่อนพวกนี้ให้อิ่มหนำก่อนค่ะนะห้าห้าห้าอย่างนี้ให้อิ่มหนำก่อนนี่คือข้อที่หนึ่งอิ่มหนำบริษฐารให้เป็นสุขโดยถูกต้องนะก็อยู่ที่ว่าประมาณเงินมากน้อยเท่าไหร่ตรงนี้นะ ข้อที่2พอใช้อันที่แรกแล้วเนี่ยก็ต้องมาแบ่งจ่ายอันที่สองด้วยนะอย่าลืมอันที่สองนี่คืออะไรต้องป้องกันปิดกั้นอันตรายทั้งปวงให้ตัวเองเนี่ยสวัสดีจากอันตรายทั้งปวงจากภัยที่เกิดจากไฟจากภัยที่เกิดจากน้ำจากภัยที่เกิดจากโจรพวกนี้ต้องคอยระวังใช้จ่ายับตรงนี้บางคนก็เอาเงินมาซื้อถุงทรายใช่ในกรณีนี้ก็จะอยู่ในข้อที่2ค่ะเออ พอเราใช้ใจ่ายทรัพย์ในกรณีนี้แล้วอย่าลืมนะต้องแบ่งจ่ายกรณีที่3ด้วยนะ <Okay. S 1> กรณีที่3เนี่ยคือการสละออกทำพลีกรรมสละใหนะ้ด้วยการสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์ผู้ที่ล่วงละไปแล้วช่วยชาติบูชาเทวดาสงเคราะห์แขก <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นกรณีของคนที่บริจาคน้ําท่วมเนี่ยจะมาอยู่ในข้อที่3นี้นะฉันใช้ใจ่ายเงินชันละในการที่ปกป้องเอายกของขึ้นที่สูงซื้อกทรศัพท์ทรายมาลนะ อ, อ๋อคน คนนู้นอยู่อโยยาใช่ไหมมีปัญหาอ้าวใช้จ่ายทรัพย์ในข้อที่3ช่วยเขาด้วย <คะ S 1> ในลักษณะนี้แล้วก็ข้อที่4ี่เรก็ต้องแบ่งจ่ายทรัพย์ข้อที่4ด้วยนะคือให้ในการที่บำ ร, รุงเลี้ยงสมณะนะตั้งไว้ซึ่งทักษิณาฐานคืออุทิศให้นะแก่สมณะผู้ที่ปฏิพฤติดีประพฤติชอบนี่คือข้อที่4ี่ <คะ S 1> ทีนี้ว่าจํานวนเนี่ยว่าใช้จ่ายเท่าไหร่กี่เปอร์เซนต์แบ่งจ่ายยังไงรพระภุทธเาไม่ได้ระบุ ระบุ <Okay. S 1> เพียงแต่เป็นกว้างๆ ว, ว่าให้บริหารตนให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องแล้วก็ใช้ใจ่ายทรัพย์เนี่ยให้เหมาะสมะสมมติเรามีเท่านี้เราก็แบ่งใจ่ายให้ถูกแล้วกันถ้าเงินที่เรามีมากก็ตามน้อยก็ตามเนี่ยถูกแบ่งใจ่ายในสี่อย่างนี้แล้วเนี่ยนะมันจะไปได้เราจะเป็นผู้ที่ใช้ใจ่ายทรัพย์อย่างถูกต้องหรังจากนี้อ๋อค่ะ หมดแล้วยังคะหมดแล้วสี่อย่างนี้แหละสองประการอ๋อค่ะท่านฝั่งที่เคบค่ะท่านเพบูรณ์ก็ได้ให้เราได้รู้ว่าพระพุทธองค์ตรัสสอนอย่างละเอียดรอบคอบรู้ว่ามนุษย์นั้นต้องมีเรื่องของการใช้จ่ายก็จึงได้สอนเรื่องการใช้จ่ายทรัพย์นะคะและท่านแนะนําให้เราใช้ประยุกต์กับช่วงเวลาของน้ําท่วมอืน้ําท่วมค่ะก็เป็น อะไรที่เข้าท่าดีนะคะก็คือจะมาคิดว่าถ้าเราแบ่งใช้ใจ่ายทซั์อย่างนี้เราจะครอบคลุมหมดะจะไม่มีใครสามารถมาครหาเราได้ว่าเอาทําไมคุณทําอย่างนี้ไม่ทําอย่างนั้นแต่เราก็คือมีการแบ่งต้องมีการทําบัตเจตว่างกันเถอะมีการทํางบประมาณเอาเงินส่วนนี้ถึงแม้ฉันจะถูกน้ำท่วมอยู่ฉันก็เอาไปช่วยคนอื่นด้วยน ะ, ะทุกคนก็จะสบายใจหมดอ่ะทุกคนค่ะที่ฉันจาได้ว่าในช่วงหนึ่งตอนที่ได้มีโอกาสเข้าไป ยุ่งเกี่ยวกเรื่องการเมืองแล้วก็บางอื่เป็นซีรัฐบาลเนี่ยในช่วงนั้นมีการสอนเป็นนโยบายลงไปสู่โครงการให้คนเนี่ยรู้ว่ารายรับรายจ่ายของตัวเองเป็นอย่างไรออใช่ะะ ใ, ชใชแต่ว่าการแบ่งใช้จ่ายอย่างไรในขณะนั้นยังไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนี้พูดถึงถ้าจะมีใครเอานโยบายนี้ไปพัฒนาต่อเนี่ยน่าคิดมากเลยนะคะว่านอกเหนือจากจะรู้รายรับรายจ่ายแล้วการจัดสรรสีอย่าง ใช่ก็เลี้ยงตัวเองแล้วก็บุคคลที่ควรที่จะรับผิดชอบรอบข้างนะคะให้อิ่มน้ำเป็นสุขปิดกั้นจากภัยทั้งหลายแล้วก็ได้สงเคราะห์คนอื่นผลิกรรมกับบำรุงสมณะอันนี้หมายถึงว่าให้เฉลี่ยในก้อนเดียวกันเลยไหมคะมีหนึ่งหมื่นบาทเฉลี่ยเป็นสัดส่วนเรียงตามลำดับหรือว่า อันนี้ก็คือว่าให้ไม่ไม่ไม่ได้หมายความว่าเงินสดอย่างเดียวนะอันนี้คือหมายถึงทรัพย์สินทุกอย่า ง, งเพราะฉะนั้นก็คือเราก็บริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องอย่างเช่นสมณะอย่างเงี้ยรับเงินไม่ได้ใช่ไหมและสมณะรับอะไรก็รับปัจจัยเสียอันคนแก่สมณะจะบริโภคจะเป็นที่อยู่อาศัยอาหารยารัารกษาโรคอันนี้ก็ให้สมณ ะ, ะบางทีบางกรณีเราต้องให้เงินกับคนนูน้นคนนี้เนี่ยช่วยชาติอย่างเงี้ยบริจาคคุณบริจาคเท่าไหร่คุณบริจาคพันล้านใช่ไหมโอเคเอาเงินไปนี่ก็ให้ช่วยชาติอย่างนี้ 1, น เ, เ, เป็นต้นนะ เพราะนแบ่งจ่ายตรงเนีเ้ไม่ได้ว่าต้องเป็นลําดับแต่ต้องทําทุกอันพระพุทธเาบอกว่าเงินไหนของเคอนะทรัพย์อันไหนนะที่หมดไปสิ้นไปโดยเว้นจากกรรมในการจัดการในหน้าที่สี่อย่างนะถือว่าหมดสิ้นไปอย่างไม่ถูกต้องคือไม่ได้หมายความว่าคุณต้องให้สัดส่วนเท่าไหร่ไม่ได้ระบุแต่ต้องมีบ้างอ๋อคือเหมือนกับว่าถ้าใช้นอกเหนือจากการที่ทําให้ตัวเองอิ่นเป็นสุกปิดกั้นจากภัยทั้งปวง แล้วก็พลิกรรมสงเคราะห์กับบำ ร, รุงเลี้ยงสมณะแล้วเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการใช้จ่ายไม่ถูกต้องนั้นเหรอคะอ่าคือยังหมดไปอย่างไม่ถูกต้องถูกต้องที่คุณยมติวพูดถูกอย่างสมมุติอาะมาะน้ําท่วมอย่างเงี้ยเ้าเราเปียกอยู่นะเงินเราก็มีน้อยมากเลยเราทํากับข้าวมาเนี่ยเราได้ถุงยางชีพมาทํากับข้าวพอได้เนี่ยข้าวที่คุณได้เนี่ยคุณจะแบ่งยังไงอแบ่งให้ลูกเมียผัวกินแต่ตัวฉันก็กินพอสมควรส่วนนึงเอาแบ่งให้สมณะบ้าง ถ้ามีเพื่อนบ้านเราก็แบ่งให้เขาบ้างเราก็ให้ให้จัดการอย่างเนี้ยถึงจะถูกค่ะบางคนเนี่ยทําอยู่แล้วแต่ไม่รู้ตัวอืมเช่นยังใช้ชีวิตเหมือนสมัยก่อนต่างจังหวัดอยู่เลยที่ว่าวิถีชีวิตคนชนบทเี่เขาจะเกื้อกูลกันทํากับข้าวเอาข้ามรั้วแลกกันแบ่งปันกันอะไรอย่างนี้ใชไหมคะทาโดยไม่รู้ตัวแต่นี่ถือว่าเข้าข่ายอย่างถูกต้องในข้อที่สองของหักการใช้เงินใช่ ไม่ไม่ใช่ว่าหมายถึงเงินอย่างเดียวกับข้าวที่เราทำที่ดินที่เรามีสมมติที่ดินที่เรามีเนี่ยเอาให้พระมาอยู่ในบริเวณนี้ก็ได้อันนี้คืนก็เกื้อกูลสมณะโดยถูกต้องละอืมค่ะถือว่าทรัพย์สินที่คุณมีเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเงินสดนะได้ใช้ใจ่ายอย่างถูกต้องแล้วท่านใช้คำว่ามีที่ดินก็ให้พระมาอยู่ในที่ดินของตัวเองนะ อ, อันนี้ดิฉันจะเลยเลยจะเรียนถามท่านกลับว่าจาได้ว่า เหมือนกับพระวินัยพระสงฆ์เนี่ยจะรับทรัพย์เป็นที่ดินไม่ได้อย่างนั้นหรอที่นาเรื่องสวนไร่นานี่รับไม่ได้รับไม่ได้คือถ้าถ้ารับเป็นนาข้าวมาปลูกข้าวเนี่ยพระธรามมันไม่รับแต่ถ้ารับนี่คือรับอะไรไม่ได้รับที่ดินแต่รับการเข้าไปอยู่อาศัยที่ดินใครเป็นเจ้าของก็คุณก็ยังเป็นเจ้าของอยู่ท่านคะแต่ดิฉันก็เห็นว่าบางคนเขาก็เอาที่ไปถวายวัด ที่เดิมก็เป็นที่นาด้วยอย่างเงี้ยออแล้วก็เหมือนกับวัดรับไว้อ่ะค่ะก็รับวัดรับไว้ทำอะไรถ้าวัดรับไว้เป็นนาเนี่ยผิดวินยัยรับไว้เพื่อที่จะทำนาปลูกข้าวนะแล้วพระไปทำเนี่ยพระทำไม่ได้แต่ว่าพระเนี่ยรับไว้ก็เพื่อที่จะทำเป็นที่พักหรือทำเป็นวดัดทำเป็นสถานที่ฟังธรรมปฏิบัติธรรมอันนี้มันก็ไม่ใช่นาอีกแล้วไม่ใช่ที่นาอีกแล้ว อย่างพื้นที่ในกรุงเทพหลายหลายที่ที่เขาปลูกบ้านจัดสรรเนี่ยเมื่อก่อนเป็นท้องนาใช่ไหมแต่เราเอามาใช้เป็นบ้านอย่างเงี้ยก็เหมือนการท้องนาเรามาใช้เป็นที่วัดในการที่จะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ได้อันนี้ไม่ผิดอืมหมายถึงว่าขามาจะมายังไงไม่รู้แหละแต่ว่าพระจะเอาไปทํานาไม่ได้สรุปนะคะไปให้ใครเช่าทํานาได้ไหมคะไม่ทําเองอะก็เป็นรายได้เข้าวัดออันนี ō, ้ก bueno, ็ไม่ได้ท่านกนะดิฉันถามเป็นความรู้ไม่ทราบว่าจะ เป็นคําถามที่ตอบได้ในทางธรรมหรือเปล่าสมมติเวลาเราอยากจะไม่ใช่อยากตั้งใจเลยถวายนะคะที่นาประมาณเนี้ยหรือว่าทรัพย์สินอย่างอื่นแต่ยกตัวอย่างที่ที่นาว่าพอถวายที่นี้ก็ถวายแบบตั้งใจเต็มใจแต่มันมีส่วนของการที่เราก็หวังหวังในแง่กุศลอืมนะคะหวังเห็นภาพเลยจาคุนขอให้ลูกได้มีโอกาส ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีที่ดินออหลังจากที่ได้ถวายที่ดินแปลงนี้ให้กับพระคุณเจ้าซึ่งเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเธออื ม, อ ม, อมถามว่าจะได้บุญมากหรือน้อยอ่าธิการานี้ได้ไหมคะเอาได้ก็แต้เก็าอธิฐานกับแบบเนี้คะ่ะออใช่ใช่คือทําบุญเนี่ยนะทําบุญด้วยการให้ทานก็ดีทําบุญด้วยการรักษาสินก็ดีหรือว่านั่งสมาธิก็ดีทําบุญคุณต้องหวังบุญ ทำบุญจะหวังหรือไม่หวังคุณต้องได้บุญแหละแต่ยังไงทำบุญเนี่ยเราต้องหวังบุญนึกเหรอไม่งั้นคนจะไม่เชื่อว่าบุญมีบาปมีถ้าคุณไม่เชื่อว่าบุญมีแบบมีคุณก็จะไม่ทำแต่เพราะว่าบุญมีบาปมีคุณจึงทำบุญไม่ทำบาบแต่ทีนี้เราต้องเข้าใจว่าแล้วทำยังไงถึงจะให้ได้บุญมากถ้าในขณะที่เราถวายไปให้ไปเนี่ยจิตเรามีกามนะพยาบามเบียดเบียนอันนี้คุณก็จะได้บุญอยู่แต่ไม่มากเท่าถ้าจิตเราไม่มี พูดง่ายๆสมมติว่าเราถวายเงินสักห0 0แสนหรือเงินจํานวนหนึ่งเพื่อที่หวังว่าจะได้ถูกรรลอตเตอรี่รางวัลที่1มีชื่อสีแยงเกียรติยศแล้วก็มีเงินมากๆเป็นเศรษฐีหมาเศรษฐีหมื่นล้านพันล้านอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นกาบเป็นกามแต่ถ้าจะให้ได้บุญมากกว่านี้เราไม่ต้องคิดเรื่องนี้เราไปคิดเรื่องที่ว่าโอ้เพราะว่าสมณะพวกนี้หาอยู่หากินไม่ได้เราควรจะต้องบริจาค อันนี้เราก็ควรทำนะสูงขึ้นไปอีกเราก็มาคิดว่าโอ้เพราะว่าพ่อแม่เราทํามานะเราก็ควรจะทําต่อไปเป็นการสืบสิ่งที่ดีอันนี้ได้บุญมากขึ้นไปอีกไล่ไปไล่ไปอย่างงี้นะค่ะ น, นี้คือบุญที่เกิดจากการถวายทานหรอค่ะท่านคะแต่ว่าท่านก็ได้ยินว่ามีการาตราสเอาไว้ในทํานองทาอย่างนี้อ น, นิสง์เป็นอย่างนั้นทําอย่างนั้นอ น, นิสง์เป็นอย่างนี้นะคะแล้วถ้าเราไม่ อธิษฐานในทํานองที่ท่านบอกว่าเป็นการอธิษฐานที่มีกิเลสอะฮะแล้วมันจะส่งผลอย่างที่เป็นอนิสงส์อย่างนั้นไหมคะ เ, ออเรื่องของอนิสงส์จากการถวายทานค่ะที่ว่าถวายอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือเช่นอย่างไรบ้างสมมติบอกว่าถ้าใครออถวายยานพาหณนะถวายอาหารจะมีโอกาสร่รํารวยเป็นมหาเศรษฐีที่ออท่านอาจจะใช้ถ้อยคำไม่ถูกแต่ว่า เราไม่ได้อยู่ในอธิษฐานเพราะเรามีความรู้สึกว่าพระพิบูลสอนแล้วว่าจะเป็นการอาธิษฐานที่ยังเจอด้วยกิเลสค่ะก็ต้องบอกงี้ว่าที่พระชาติพูดไปกว้างๆอย่างเช่นการให้ทานเนี่ยนะเป็นไปเ พ, พื่อโพคาซั์อันนี้ส่งการให้ทานก็จะเป็นไปเพื่อกิจยศชื่อเสียงค่ะนะแล้วก็อั น, นิี้ส่งการให้ทานนี่ก็จะเป็นไปเพื่อที่มีเขาเรียกว่าเข้าสู่บริษัทไหนก็ไม่ขั้นคร้รามน ะ, ะมีคนยกย่องอันนี้ก็เป็น ไปตามนนั้ทีนี้ว่าเราจะหวังหรือเราจะไม่หวังเนี่ยมันก็ต้องได้ผลทีนี้ว่าถ้าเราหวังต้องการหวังว่าเจาะจงนี้คุณต้องทําจิตให้ถูกนะไม่ให้มีการนะแต่ว่าคือการกับการมบคุคคลไม่เหมือนกันค่ะนะที่เราเคยคุยกันมาหลายครั้งว่าคุณอยากมีคุณต้องการมีบ้านมีรถก็ได้แต่เราไม่มีความกําหนัดติดพันมัวเมาในสิ่งนั้นอันนี้ก็สามารถทําได้ถ้าคุณทําจิตอย่างนั้นได้ก็เป็นสิ่งที่ดีล่ะก็พุ่งพุ่งเขาเรียกว่าพุ่งความต้องการของเราไปทางจุดนั้นนะ ค่ะท่านไปบุญครับแม้เวลามันหมดคงจะต้องไปกราบเรียนถามในวันอื่นแต่ว่าเข้าใจว่าวันนี้ก็ได้แล้วนะคะสําหรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจับจ่ายเน้นเฉพาะในช่วงมีวิกฤตอย่างเงี้ยก็ยังต้องใช้ให้ถูกอย่างใดนะคะเป็นผู้ทวจนะช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยผู้ทวจนะค่ ะ, ะน้อมัสการขอบพระคุณนะคะยินดีผ่าน ค่ะทั้งคนที่รบค่ะแล้วเราก็จะมารับฟังรายการสัสนีสนทนากันทั้งรายการเนี่ยได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่เวลาตีห้ถึงตีหครึ่งที่ FM106 ครอบครัวข่าว 02-269-0006 เบอร์นี้ถามคำถามมาและขอหนังสือมาได้พระอาจารย์คอกรทิกิยังมอบให้เช่นเคยนะคะนในช่วงวันละ3เล่มค่ะติดตามรับฟังกันได้ใหม่พรุ่งนี้พุทธสวัสดีค่ะ